การปฏิบัติเราพยายามออกจากความเคยชินเก่าๆนะเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่มีการวิวัฒนากาในการให้ดีขึ้นคือการพัฒนาคือการออกจากความรู้สึกความเคยชินเก่าๆนะั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่มันสลัดใบใหม่อยู่เสมอนะ ต้นไม้ไหนที่มันไม่ผลิตใบใหม่ต้นไม้นั้นก็มีอนาคตสั้นลงอ่าก็ตายไปแต่การที่มันต้นไม้ใบไม้มันจะผลิตใบใหม่เสมอทำไมเพราะว่ามันจะต้องได้รับน้ารับปุ๋ยไม่ขาดนะชีวิตเราก็เหมือนกันมันจะต้องมีความเติบโตเข้มแข็งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่มันเก่าแก่ลุยลาลงไปเรื่อยๆนะถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาก็าช่วยอะไรเราไม่ได้ พูนะศา ส, สนาต้องเป็นจริงในชีวิตเรานะไม่ใช่ว่ามันผ่านไปด้วยความเชื่อถือที่ไร้ประโยชน์งมงายคือยุคสมัยใหม่ที่เรียกว่าเป็นยุคเทคโนโลยีรุกนวัตกรรมนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะประยุกใช้พูะศาสนาให้สอดคล้องกับชีวิตจริงได้มัน มันได้ไประโยชน์น้อยอนนะะตามที่มาประสบการณไปอยู่ทางเยอรมันอยญี่ปุ่นซึ่งสองประเทศสามประเทศนี้เขาจะใช้พุทธศาสนาเป็นหลักของชีวิตแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมเขาจะนับถือศาสนาแล้วก็ตามแต่สาระชีวิตของเขาคือพุทธศาสนาแต่ประเทศไทยเราประกาศพุทธศาสนาเป็นชาวพูดธเต็มที่เลยนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่วิถีชีวิตมันไม่ใช่วิถีชีวิตมันเป็นผีเป็นพรามณ์เป็น อะไรไปไปไม่รู้นะเพราะว่าการพัฒนาของเรามันไปไม่ถึงติดอยู่ความเคยชินเก่าๆอันไหนที่มันออกจากรูปแบบเก่าๆไปก็รับไม่ไดนะ้เป็นเหตุให้ตาหนิติชินดูถูกดิ้นทารังเกียจซึ่งกันและกันอันคือการพัฒนาของเราช้า ในข้อนี้เราต้องจําคอนเซปต์หลักเอาไว้ว่าเราต้องการแจ่มแจ้งในเรื่องทำอะไรนะไตรลักษ์ให้เป็นไตรสิขา <c oughs> จบข้อนี้เนี่ยความรู้สึกของไตรลักษณ์ที่จะเปลี่ยนเป็นไตรสิกขาเลยมันต้องแจ่มแจ้งในหัวของนักปฏิบัติทุกคนนะถ้าไงั้นเราไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าคข้เนี้ แล้วก็เอาไปใช้ให้ได้ด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องคลั่งไคลในทฤษฎีอะไรบางอย่างไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ามันจะต้องลงสู่ชีวิตจริงเราว่าตัวพอเราสัมผัสชีวิตลงไปั๊บเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้ส่วนไหนใจรักกําลังทํางานอยู่ส่วนไหนตรสิกขากาลังทํางานอยู่เพราะอันนี้คือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทัดค้นพบ นะถ้าเราเข้าไปถึงหลักการอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็เข้าไปถึงหลักการของพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายจัดการตั้งหัวข้อเรื่องที่มาเป็นคอนเซปต์หลักนี่ยเรียกว่าเป็นแกนของเรื่องเลยทีเดียวนะนะก็อยากจะให้มันทํามันให้เป็นช่วยกันทําให้เป็นจริงนะส่วนได้ามาก็เพียงแต่ว่านําประสบการณ์ที่เคยผ่านเคยศึกษามาให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกัน แม้ว่ามาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานกูจะจับหลักการอันนี้ได้และหลักการอันนี้ก็ควรที่พวกเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลายืดยาวอย่างอาตมาสเสียเวลาใหมนะ่อีกนะเพราะมันเป็นยุคสมัยที่ที่มีการปรับเปลี่ยนแต่เราก็ต้องยอมอ่าสูญเสียอะไรบางอย่างในการที่เรามาศึกษาหลักอันนี้เช่นว่าเราเคยนั่งสงบมันอาจจะไม่สงบเราเคยนั่งนิ่ง เคยพักผ่อนในสมาธิเคยหลับอินเตอร์เทนตัวเองด้วยการพักผ่อนอาหารอร่อยอะไรเนี่ยก็คนสูญเสียเหล่านี้ไปบ้างด้วยการมาศึกษาอย่างจริงจังในหลักของอย่างวันนี้พ่อจะทำอาจะต้องทำเป็น powerpoint นะเพราะทางศูงสองก็เราเทนโลยีด้านนี้ยังไม่ค่อยก้าวหน้าได้เลยถามเจ้านี้ก็ยังไม่เหนียวไม่ได้ว่าจะทำเรื่องตั้งแต่ว่าเรารู้ที่น้น ให้เห็นเมื่อกี้ว่าขณะที่เราเดินเห่ามีความรู้สึกอยู่สามอย่างใช่ไหมทุกคนได้เห็นไหมความรู้สึกสามอย่างควารู้สึกที่หนึ่งคืออะไรสบายสงบผ่อนคลายมีไหมมีนะความรู้สึกที่สองเรามีสึกเคร่งตึงหนักยังมีอยู่ในร่างกายใช่ไหมเวลาละเอียบมีไหมความอบอ้าวเจ็บแสบคัน อึดอัดบางคนสุขภาพไม่ดีใช่ไหมเมื่อคืนไปโรงพยาบาลคนหะนึงไม่รู้กลับมาอะไรยังกลับมาแล้วนะอย่างเนี้ยมันมีอยู่ในความรู้สึกอันที่สองใช่ไหมนี่มีอยู่จริงไหมสัมผัสได้ตลอดเวลาไหมสัมผัสได้และความรู้สึกอันที่สามคือความรู้สึกที่ยังไม่ชัดว่ามันสบายหรือไม่สบายเราจะเรียกว่ามันเป็นกลางหรือไปเรียกว่ามันไม่ยังไม่รู้ได้ไหมัมนยังเป็นอันนนเป็น q u e s t i อยู่ว่ามันจะเป็น ไปซ้ายจะไปขวายังไม่แน่ตัวนี้เป็นตัวแปรอหนึ่งทีนี้ก็เลยว่าถ้าในคอดนี้เราสามารถเห็นความรู้สึกสั้งสองด้านเนี่ยด้านที่เป็นธรรมชาติและธรรมธรรมสัจจะด้านที่เป็นธรรมชาติคือกฎของไตรักษใช่ไหมอันนี้จังทุกขรังเราแต่มันมีอยู่ก่อนอ แล้วด้านที่เป็นธรรมชจติทำให้เป็นจริงขึ้นมาในตัวเราเรียกว่าธรรมชจติถ้าเห็นสัจธรรมสองด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นสัจธรรมสองด้านเนี่ยเราเห็นชัดเจนในในสํานึกในมโนสํานึกของเราตลอดเวลาเนะี่ยนั่นคือการเราได้เข้าถึงกระแสธรรมตลอดเวลาไอ้ส่วนกระแสธรรมความสมบูรณ์ความคอมพลีทมันเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามละ องค์ของความรู้ความเข้าใจของเราเพียงพอเราก็ไปตอกย้ําไปทําความรายละเอียดอะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยทางด้านหลักปริยัตหรือสมมุติบัญญัติเข้ามามากนักแต่เข้าไปสัมผัสในตัวที่เป็นปรมัตหรือตัวสภาวะตลอดเวลาเพราะทุกคนสัมผัสได้หลักๆมันมีอยู่แค่สามนะตลอดเวลานะควรู้สึกที่มีตลอดเวลาไหมสาอย่างเนี่ย ขณะ น, น, นี้คุณนั่งไปแล้วคุณรู้สึกเข้มตรงที่สบายหรือไม่สบายใช่ไหมการทำงานของกฎของอ น, นิจจังตลอดเวลาทีเดียวใช่ไหมนะทีนี้กฎอันนี้มันจะเข้มในคนไหนเน่ะขึ้นอยู่กับคนนั้นมีความเข้มแข็งและอ่อนแอแค่ไหนถ้าคนไหนมีร่างกายเข้มแข็งแตละก็จะไม่เข้มคนเท่าไหร่ แต่คนไหนร่างกายที่อ่อนแอมีโรคเยอะไตลักก็จะทำงานได้ตามกำลังของมันแต่นี้เราจะไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายมันว่ามันเป็นเราหรือมันเป็นเราสบายเราไม่สบายใช้ความบททนดูมันเฉยๆบ้างอย่าไปแสดงความอ่อนแอออกมากเกินไปเดยการอดไม่รุนทนไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะต้องเฝ้าดูแล้วก็ผ่อนคลายปรับไปเรื่อยๆ อันนั้นเราเริ่มมีองค์ของความรู้ของคําว่าสติละคือ aware ตระหนักรู้กับสิ่งที่กำลังเกิดวิธีไหนที่เราจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ทำถ้ารู้สึกมันเบาสบายแล้วก็อย่าไปแช่อย่าไปเซ็บก็เฝ้าดูมัน เพราะฉนั้นหลักการในเบื้องต้นก็คือที่ลําดับมาคร่าวๆจะพยายามตอกย้าตรงนให้ชัดเสมอนะเราจะไม่อะยไปหลายประเด็นให้มันเบลอหรือมันม่สับสนว่าในความรู้สึกสบายเราเรียกมันว่าอะไรนะสุขเวทนาใช่ไหมอันนี้ภาษาบัญญัติเขานะตามภาษาของเราว่ารู้สึกสบายผ่อนคลายความรู้สึกนี้เป็นพื้นฐานของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการมันใช่ไหมต้องการรู้สึกสบายผ่อนคลายปลอดโปร่ง นะแต่ในในกฎตัวเดียวกันเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็นความผ่อนคลายสบายปลอดโปร่งมันคงที่ไหมตามกดของมันมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นความหนักหน่วงใช่ไหมแล้วความตึงความไม่สบายเมื่อกี้นี้เองมันเป็นเป็นเป็นคือความผ่อนคลายสบายใช่ไหมมันก็เปลี่ยนให้เห็นแหละนี่เขาเห็นชัดในในแง่ของรูปธรรมแล้วความที่ความหนักหน่วงไม่สบาย มันเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดว่าเราทนไม่ได้ใช่ั้ยเราต้องมีการขยับการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นละเพื่อผ่อนคลายเอาตัวทุกขังเอาจากร่างกายแล้วก็ตั้งต้นใหม่พอผ่อนคลายปรับเอาสบายขึ้นมาพักหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายแล้วก็ทนไม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเพราะนั้นเบื้อ ง, งหลังของการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือการ บามบัตุกใช่ไหมกับบัมทัตุก็ยันเราเรียกว่าอาริยาบทหรืออียาบทบางครั้งก็ใช้ว่าอาริยาบทอริแปลว่าอะไรอริอริแปลว่าอะไรอริราชศัตรูเคยได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นอริจึงแปลว่าข้าศิษย์ใครเป็นข้าศิษย์ของชีวิตทางแห่งข้าศิษย์ อ่ะอริอริอริอรยะบทบทแปลว่าทางยะแปลว่าดําเนินไปอ่าทุกเป็นศัตรูของสังขารมันก็ดําเนินไปสู่เราก็เดินทางหนีจากมันคืด้วยกันเปลี่ยนการเปลี่ยนท่าท่าน ห, นหนึ่งเปสูตรอ่นหนึ่งเรียกว่าเปลี่ยนอริยะบทใช่มไหม อันนี้คือบทบรรัญญัติคือการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะหนีศัตรูศัตรูคือที่กําลังลุกเราอยู่คืออะไรทุกขังใช่ไหมทุกขังก็เปลี่ยนมาจากมิตรคือสะดวก ส, สบายเห็นวันนั้นศัตรูกับมิตรเป็นเรื่องเดียวกันไหมคนเดียวกันแต่ด้วยกฎของนิจางมันก็เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรูแล้วจากศัตรูเราอยู่ได้มหมแล้วก็หนีอาการหนีของเราต้องไปไง ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาจากท่านี้ท่านั้นไปเรื่อยๆอันนี้คือการหมุนรอบของวงจรของตรลักษณ์นะแต่เราอยู่กับมันจนชินแล้วไม่เคยตระหนักรู้มันเลยว่าอันนี้มันคืออะไรทําไมต้องเคลื่อนไหวอ่าทาไมต้องหายใจทําไมต้องหิวทําไมต้องกินข้าวมันขยายไปเป็นมากมายเลยนั่นคือวิถีของชีวิตแหละแต่ณนะวันเนี้ยเราได้วิ่งจะหนีสะดูของเรามาจน ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ไม่เคยพ้นนะไม่เคยพน้นแต่พอเมื่อไรเรามาศึกษากับมาฐานมาศึกษาวิปัสนาเราเริ่มใช้คำว่าเผืิอนหน้ากระสดูทุกต้องกาหนดรู้ใช่ต้องรู้จักกันหน่อยนั่นใช้คำว่า o n นฟลอนใช่ไหเผือนหน้าอ่าเผชิญหน้ากับมัน Encounter โดยกา ร, รเผืิอนหน้ากับมันไม่หนีอ่าสมมติว่าหนัก อ่าส่วนนั่งไปมันหนักอะไจะทํำยังไงแต่รู้ตัวการหนักไม่สบายก็รู้มันไปเรื่อยเรยรู้ไปจนกระทั่งว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจากมันว่ามันหนักตัวนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนแต่โดยเมื่อก่อนเราหนีด้วยความไม่รู้ใช่ไหมควารู้สึกไม่สบายตรงนี้ฉันก็ไปทางนี้ไม่สบายนี้เธอก็ไปทางนี้ไม่สบายเธอก็ยืนไม่สบายถึงยืนเ้าก็เดินไม่สบายจะเดืนก็นั่งไม่สบายจากนั้นเธอก็นอน รู้เนะ้อรู้ตัวไหมที่เรานี้แบบนั้นไม่รู้นะเมื่อไม่รู้แล้วก็เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเคยชิดตัวนั้นนะให้เป็นความตระหนักรู้นพะนั่นการมาปฏิบัติพิพิชนานั้นต้องการที่จะดูมันก่อนมันเกิดขึ้นอาการพูดถึงเรื่องอาการหนักทุกเนี่ยเป็นตัวหลักเลยความจริงพอพอปรับทุกออกมันก็ไปสู่สุข คือสบายท่านเองนะด้วยกฎของอันแรกคือกฎของนิจังความสบายไปพักหนึ่งเขเปลี่ยนมาเป็นไม่สบายสลับก็อยู่เนี่ยหมุนลักษณะการหมุนเวียอย่นี้มันถูกบัญญัติขึ้นเป็นคําศัพท์ต่างๆนะเป็นสมมุติต่างๆให้เราได้สับสนตอนั้นเวลาเรามาปฏิบัติพิพิจนาคือต้องจับหลักของปรมาภิษ์ให้ได้ก่อนคือจับหลักสภาวะนะสภาวะว่า ที่มันปรากฏมันแสดงในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยที่เอาสมมติตัวตนบุคคลเราเขาออกให้หมดให้เหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ตอกย้ำความรู้สึกตรงเนี้ยให้ขึ้นใจท่านเรียกว่าทีละสัญญาให้จดจำอาการตรงเนี้ยให้มั่นคงนะอาการที่มันปรากฏและตัวสภาวะที่เราจดจําว่าสบายไม่สบายแล้วก็ เป็นกลางวนกันอยู่อย่างเนี้ยที่ร่างกายมันเป็นแล้วก็เราก็จะเรียกมันว่าวัฏะสงสารตามภาษาใช่ไหมจะพูดถึงเราวัฏฏะสงสารแต่เราไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงของมันว่ามันเป็นวัฏะมันทํางานแล้วเป็นอะไรอันนี้จังใช่ไหมมันก็ให้เกิดทุกขังนมันก็ครอบงำเข้าไปในทุกสังขารเลยนะไม่ใช่จะได้ร่างกายของเรา เพราะฉะนั้ในทุกสังขารเป็นอย่างนี้หมดดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะใช้กฎของนิจังให้เกิดประโยชน์ซึ่งต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมกว่าจะใช้ผลิตโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็อเออธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองแต่แต่ว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ยมันไม่ใช่ธรรมดา มันจะต้องมีอะไรที่ไปที่มาของมั น, นอทางชาววันนี้จะมาเน้นอีกที่ตอกย้ำเมื่อวานว่าในความรู้สึกสบายเป็นตัวตั้งต้นนะความรู้สึกสบายกลารไปตรงดุ น, ดนมาจากความไม่สบายเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนมันออกไปราสลับเป็นความสบายสลับกันอยู่เนี่ยตลอดเวลาที่ความสบายไม่สบายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไปศึกษาไม่ไปเรียนรู้ ไม่ไปวิเคราะห์ไม่ไปตามกำหนดไม่ไปตามเฝ้าดูเนี่ยตรงนั้นมันก็ไปเปลี่ยนเป็นอาการของสุขผู้ทางจิตเรียกว่าเราเปลี่ยนโดยสัญชาตญาณและเราก็อยู่กับสัญชาตญาณเหล่านี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่พว ก, กี่ชาติแล้ว ถ้าเราได้รู้จักสัญชาติญาณแล้วเรียนรู้มันตั้งแต่ชาตินั้นนั้นนะเราก็จะไม่เกิดมารับทุกข์อีกในชาตินี้ที่เราต้เกิดมารับทุกข์เพราะเราไม่รู้จักไม่รู้จักมันและเม่อชาตินี้อีกเราก็ยังไม่รู้จักมันอีกเราก็ต้องเกิดต่อไปอีกนั้นพุทธเจ้าก็ได้คอยสวดสัจธรรมเองมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับใช่ไหม เพราะนั้นการเกิดขึ้นของเรา ม, ามันก็ไม่ใช่เป็นโชคอะไรนักหนาอาจจะเป็นวิบากวิเคราะห์กรรมแต่การที่เราได้มาพบคําสอนพุทธเจ้าอันนี้เป็นโชควา ส, สนาอย่างมหาศาลทําให้เรากลับมารู้จักตัวเองนะดังนั้นเองเมื่อเราเริ่มต้นที่ว่าสุขมันเปลีป่ยนเป็นทุกข์เพราะกฎของอนิจจังและทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องดับสลาย แล้วกตั้งต้นใหม่เหมือนคลื่นนะคลื่นเก่าดับไปคลื่นใหม่ย้อนเข้ามาคลื่นเก่าดับไปย้อนเข้ามาอยู่เนี้ยแล้วแล้วแล้วแล้ ว, ลวคลื่นก็ปรากฏในทะเลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีมามันก็ไม่เคยทําไม่เคยหยุดมันก็ทําหน้าเที่ยของมันอย่างนั้นเอฟต้องเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะไปปปรับระบบระมาณบ่อยไม่คงที่มันแสดงความเป็นนะิจจังบ่อยเกินไปก็ไม่ดีนะไม่สะดวกในการใช้ อิริบบทไหนที่เราใช้บ่อยๆไม่สะดวกแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆท่านนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าที่ไปที่มาของสบายไม่สบายเกิดจากโกฎของไตรลักษณ์แล้วอาตมาก็ย้อนให้เห็นว่าโกฎของไตรลักษณ์มันมาจากอะไรเพราะในจักรวาลเนี่ยกําเนิดของจักรวาลมันมีแค่สองกฎใช่ไหมกฎอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับ กฎแห่งการเกิดดับใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ในาวาระที่สองท่านใช้คาว่าจุตูปปตาตญาณคือรู้กฎของการเกิดคือจุติและการอุบัติมาบวกขึเข้าเป็นจุตูปปตาตญาณตอนแรกที่ท่านยังไม่รู้ถึงกฎเนี่ยท่านรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นมาอย่างไรพวกเนี้ยฉันมานั่งตัวนี้แย่ยังไงและทั้งหมดทั้งหมดเป็นมานะีฉันเกิดมาแล้วจะนมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรท่านก็ย้อนพิจารณาถึงที่ไปที่มาของมันทั้งหมดเบื้องต้นท่านเข้าใจแล้ว แต่ว่าปุเพนิวาสานุสติยานใช่ไหมเคยดีนคํานี้ไหมเนี่ยยานแรกที่สุดคือท่านรู้ว่าเอ๊คือหมายเขามาสแสวงหามานานแล้วยังไม่รู้ที่ไปที่มาว่าท่านเริ่มขับมาตระหนักรู้ณปัจจุบันขณะเริ่มต้นแต่ว่าฉันมานั่งตรงนี้ได้อย่างไรเอาเป็นฉันตรงนี้ได้อย่างไรย้อนคืนไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าอ๋อไปเห็นต้นตรองมันคือการเกิดและกระดับนั่นคือเห็นทั้งหมดโลกจักรวาลเลย เขาเรียกว่าโล ก, กวิถูใช่ไหมผู้รู้แจ้งจักรวาลรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือมารู้ตัวนี้ยิ่งอยากใจตอกย้ำมาคุณจับให้รู้ตัวนี้ชัดๆก็แล้วกันว่ากฎของการไตรลักษณ์เป็นกฎของการเกิดใช่ไหมไตรสิกขาเป็นกฎของการดับแคบเข้ามาละเราสามารถเปลี่ยนกฎของไตรลักษณ์ให้เป็นกฎของไตรสิกขาเรียกว่าธรรมสัจจ คือเปลี่ยนสภาวะให้เห็นจริงแต่ตราบใดที่เรายังไม่มีองค์ความรู้ที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นกฎอันนี้ในตัวเราเองเรายังเรียกว่ากฎของอะไรธรรมชาติที่มันทำงานอยู่อย่างนี้โดยวันพันปีมันก็ทางานเป็นเรียกว่าธรรมชาติและธรรมชาตินี้มันก็จะต้องเป็นไปตามนั้นทำให้เราต้องเวียนว่ายใจเกิดตามกฎของธรรมชาติ พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าธรรมนิยามเคยดินนะธรรมนิยามรายการธรรมนิยามของใครสักคนหนึ่งที่บางคนกําลังฟังอยู่ของใครนะอันนี้ไปดูนะกดคําว่าธรรมนิยามแล้ว ก, กดธรรมนิยามท่านบอกว่าสิ่งเนี้ยคือเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี้ยฉันจะเกิดมาหรือไม่เกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็ทําหน้าที่ของมันอยู่แล้ว แต่เมื่อฉันเกิดมาฉันได้มาเปิดเผยมาจำแนกแจกแจงมาทำให้เป็นคานงายของที่ข่อมเปิดของที่ปิดแล้วก็บอกทางแก่ผู้หลงทางที่ไม่รู้อันนี้คืออันนี้นี่คือหน้าที่ของฉันที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศในธรรมนิยามนะวิวารติวิภาชาติอัตานีกะโรติทำให้เป็นงายเหมือนของที่มันข้อมอยู่ตั้งนานแล้วธรรมชาติมันข้อมอยู่ท่านมาอัตานีกะโรติไายขึ้นนะ ฉันบอกว่าเมื่อฉันรู้แล้วรู้ชัดเจนนะอภิสัมพุทติอภิส ม, มติเมื่อฉันรู้ชัดแล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยฉันก็เลยทํามาจําแนกแจกแจงคือกฎของไตรลักษณ์อันนี้เองนะเสร็จแล้วตัวรู้สึกสบายเนี่ยก็รู้วา่ามันต้องเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเราก็ถ้ารู้สึกสบายเราก็ไปเสีมันซะใช่ไหมรู้สึกไม่สบาย เราก็ไม่ชอบมันซะอันนี้คือกฎของธรรมชาติละแต่ณนะวันนี้เรามาศึกษาวิปัสนารู้สึกไม่สบายฉันก็รู้ว่าควา ม, มสบายความสบายตรงนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนฉันจะดูแก่สักพักมันก็แสดงตัวทันทีเลยใช่ไหมหนักละไม่สบายแล้วไม่สบายนี้จะตั้งอยู่นานไหมก็ดูต่อไปไม่นานฉันทนไม่ได้ ถ้าหากว่าเราคอยตรหนักรู้จำกัดแค่ความสบายไม่สบายให้อยู่แค่กายอ่ะตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มตรหนักรู้ว่าไอความรู้สึกสองอย่างเนี่ยมันต้องอยู่แค่นี้นะอย่าล่วงล้าเกินไปมากกว่านี้ถ้ามันมากไปเกินกว่านี้มันออกจากรูปมันก็จะไปสู่อะไรไปสู่น้ำน้ำถึ่งมันเหมือน แก้วน้ำใสล้วนๆนะ่ะมีอะไรสักอย่างหยด ล, ย ง, ลงไปิ้งลงไปทำให้น้ำเกิดอะไรคอนเทมเนตทำให้น้ำเกิดการแปดเปื้อนขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมแล้วมีสีมีสันขึ้นมาตรงนี้เป็นวัตถุที่สองเราเรียกว่านามรูปน้ำในแก้วใสๆเราเรียกว่านา้ำเฉยๆนะนามรูปตกมาจากไหน ก็เกิดมาจากรูปนามที่ความไม่สบายที่มันเราไม่ได้กําหนดรู้เราไม่ได้จํากัดไว้แคะนะั้มันเกิดตกลงไปปิ้งเดียวทําให้น้ําหลแก้วเปื้อนขึ้นมาทันทีจิตของเราที่ใส่เกิดความขุ่นมัวเกิดความไม่ชอบขึ้นมาทันทีมุนหงิดลาําคาญเบือ่อใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาจากตัวนั้นเนื่องจากว่าสติสัมปชัญญะที่ไปตามกําหนดรู้ความสบายไม่สบายที่เกิดขึ้นกับรูปหรือเกิดขึ้นกับกายนี้ เราไม่ได้ตามมันดูชัดเจนพอมันได้ที่พอดีปับ๊บมันก็หลุดไปตรงนั้นพอหลุดไปตรงนั้นจากธรรมชาติของกายก็เกิดเป็นตัวของธรรมสัจจะถ้าเราตามเห็นมันนะแต่ถ้าเราไม่ตามเห็นมันธรรมชาติของกายก็ไปสร้างธรรมชาติวงใหม่เรียกว่าธรรมชาติของอะไรของจิตเราเรียกว่าวงจรของปฏิจจสุบาทได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นฝ่ายเกิดเกิดเรื่องอ่ะคือหยดแห่งความไม่สบายทางกายตกไปในสู่จิตจิตนี้ท่านบอกว่าเดิมแท้สะอาดผ่องใสใช่ไหมที่พุทธเจ้าตรัสว่าอะไรประภัสระมิทางจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปคิดิทังว่าจิตนี้เดิมแท้เนี่ยสะอาดผ่องใสแต่เมื่อมี อาคารตุ ก, กัคือเศษทุกข์ที่อยู่ในรูปที่เราควบคุมไม่ทันมันเป็นอาคารตุ ก, กาดตัวใหม่ไหลเข้าไปสู่มันมันเลยเป็นทําให้จิตนั้นเศร้าหมองเหมือนน้ําที่ใสเมื่อกี้เป็นน้ําที่ขุ่นละให้เห็นภาพอย่างนี้ให้ชัดนะแล้วตัวไตรลักษณ์ตัวนี้ที่เป็นกฎของอ น, นิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวกฎของไตสิขาได้อย่างไรรู้ว่ากฎไตลักเกิดมาจากกฎเบื้องต้นของจักรวาลคือกฎแห่งการเกริดและดับนะอันนี้คือครอบคลุมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าวัตถุเศษเล็กเศษน้อยที่หมืน่นขีแสนล้านยูนิตก็ตามตัวเราก็เป็นเป็นฝุน่นผุงเล็กๆเป็นเศษส่วนของจักรวาลเนี่ยเราก็ต้องหมุนตามกฎอันนั้นเหมือนกัน ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการศึกษาเรียนรู้กฎอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกอย่นี้ยจนไปพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเรามีบุญวิ ส, สนาเราก็ได้ยินคําสอนของท่านแล้วก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะมาเรียนรู้กฎของใจรักแล้วเราจะรู้เรื่องนี้แล้วเราจะเว้ยนว่ายแเกิดต่อไปอีกไหมไม่ต้องการเราก็ต้องเปลี่ยนกฎใจรักขาเสียเพราะว่า มันมีทางเดียวพุทธเจ้าต้อง ม, มีทางเดียวนั่นคือเราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้โดยใช้หลักของสติปัญสีท่านใช้คำเอกายาโนมคโคว่าว่าทางนี้เป็นทางเดียวนะที่คุณจะต้องออกจากกฎของใจลักโดยคนไม่ใช่กฎของใจสิขานั่นคือมาตรนักรู้กฎของอนิจจงอนิจจงเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่ะมันมีสามตัวใช่ไหมอนิจจงทุกขานาตา มันขยายมาจากเกิดกระดับนั่นเองถ้าเกิดกับดับทมหน้าที่สมดุลกันมันมีอนิจจังกับอนัตตาอานิจจังคือเกิดอนัตตาคือดับแต่ถ้าเราไม่สามารถบริหารจัดการการเกิดดับให้สมดุลกับมันเกิดตัวที่สามคือทุกขังนี่จากสองตัวมันกลายมาเป็นสามตัวทีนี้เราจะต้องกลับไปสู่กฎเดิมของมันก็คือการ จเจริญปัญญาเพื่อไปทําให้การเกิดและการดับสมดุลกันเมื่อเกิดดับสมดุลกันมันก็ไม่เกิดเศษของทุกขจากการเกิดดับทุกขังก็หายไปแล้วก็ บ, บริหารมาอยู่ตรงนี้แหละนะบริหารอยู่นั้นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดที่ใช้มากที่สุดคืออะไรสติสัสมปชัญญะเพราะตัวสติสัมปชัญญะจะมาคุ้มครองมาป้องกันตัวทุกข์ให้จํากัดอยู่ในกาย แต่เนื่องจากว่าเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์แล้วเรายังเป็นผู้ศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมีสติสมิยะสมบูรณ์ขนาดควบคุมความไม่สบายกายให้อยู่ตรงนั้นได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนมันจะต้องมีการลื่นไหลไปสู่จิตนั้นต้องใช้ตัวที่สองคือใช้ปัญญาปัญญาจะไปจัดการกันกรองตัวที่ตกตะก่อนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยออกมาให้ได้ ตรงนี้เลยที่เรียกพูดเรงหลักการกล่องประวร์เย็นใช่ไหมคือการกล่องหลายชั้นทีเดียวต้องกลองออกมาให้ได้นั่นคือตัวปัญญาการกลองทุกข์ที่ไม่ให้มันขังอยู่ในกายหรือในรูปเนี่ยแค่ใช้สติสมัมผัะก็เพียงพอล ะ, ะก็เพียงพอละแต่เนื่องจากว่าความที่สติสมัมผัสเราไม่สมบูรณ์ที่จะไม่สามารถกั่นกลองได้ร้อเ กรองบางอย่างนะไม่ใช่เป็นจ ะ, ะกลรองความสะาได้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็ว่ากี่เปอร์เซนต์เครื่องกรองที่เขาขายกันแล้วแต่ราคามานะันอะใช่ไหมราคาแพงหน่อยก็กรองได้เยอะหน่อยราคาถูกหน่อยก็กรองน้อยนะ้อยนี่เรจะเห็นว่ามันจะต้องตอกย้ำกันโดยนั้เห็นภาพให้ชัดเลยนะถ้าภาพตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยเราก็จะต้องวนเวียนอยู่ไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อาจารย์โน้นอาจารย์นีนาานน้คุณก็บ่าอาจารย์นั้นดีคุณก็ไปหาใหม่อาจารย์นั้นแน่คุณก็ไปเวียนอยู่อย่างนี้ไม่เคยจบ แล้วมันจะเมื่ไหร่มันจะจบถ้าคุณไม่เอาตัวเองเป็นอาจารย์ใช่ไหมผู้ที่เช่าท่านบอกท่านเป็นกัลยาณีท่านก็ทําให้ไม่ได้หรอกแต่ท่านเป็นกัลยาณมิตรชี้บอกเท่า น, นั้นแต่หน้าที่เนี่ยคุณต้องไปทำเอาเอง <c oughs> ใช่ไหมที่ท่านกล่าวไว้ในอะไรอาคาตาโลตถาคตตาตุมเฮหิกิตจังอาคาตาโลตถาคตตาปฏิปันาปโมกขันติชายีโนมาราพันธนา ความเพียรพยายามที่จะไปทำเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพวกคุณแต่ฉันชี้บอกเท่านั้นนะอาขาตระดูเราแต่ทักว่าเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกคนไหนทำได้อย่างที่ฉันแนะนำคุณพ้นจากทุกหมดเลยออ่ชายโนมาราพัฒนาพ้นจากบ่วงของทุกทั้งหมดดังนั้นเรื่องนี้มันยากเกินไปไหมที่จะทาคิดว่ายากไหมที่เราพูดกันเนี่ยเข้าใจได้ไหมถ้าเข้าใจได้มันก็ต้องทาได้ ใช่ไหมแล้วจะทำอย่างไรนี่คือเราต้องมาทำร่วมกันเราอาศัยสติปัญญาร่วมกันนะด้วยการเข้าไปอินไซต์ใช้่าอินไซต์้วยการเข้าไปเฝ้าดูไปศึกษาสิ่งที่เกิดในกายของเราด้วยหลักสามประการในหลักของวัตถุเนี่ยมันจะต้องออกมาสองและเป็นสามเสมอเพราะอะไรเพราะวัตถุมันเป็นที่ตั้งของหลักอันนี้แต่ วัตถุนี้มันก็เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วกฎเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะอะคือหมายเขาว่ามีที่ไหนมีวัตถุไม่ว่าวัตถุนะั้นมันจะละเอียดขนาไหนเป็นอนุภาคเป็นปรมาณูแค่ไหนมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของใจรักอันนี้ในฐานะที่มันเกิดมาแล้วนะทีนี้เราก็จะต้องบริหารจัดการไ อ, ไอ้สามตัวเนี่ยอ น, นิจจังทุกขงังนาตาอย่างรู้เท่าทันเสมอ เราแทบจะไม่มีเวลาไปทําเรื่องอื่นเลยนะถ้าทําเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเลยบวช ด, ดีกว่าทำเรื่องนี้เรื่องเดียวพออออกมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ในกรณีที่เรายังมีวิบากกรรมอยู่เพียงแต่ลถหย่อนผ่อนลงนะทำชาตินี้อาจจะไม่จบไปต่อชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้หลวงพ่อบังเอิญไปเห็นคลิปเด็กคนหนึ่งอายุสักไม่เกินสามขวบเนะี่ะมันไปเวทีที่อะไรนะ นที่เขานี่กันปรากฏว่าถามเรื่องสมองในระบบร่างกาย้วกวนมันตอบได้หมดเลยเด็กสามบวบคนนี่ทึ่งกันทั้งอในห้องส่งนะเอามาไม่ได้ถึงว่าเด็กคนนี้มันชาติแล้วมันเป็นหมอแล้วมันมันเกิดมามันเกิดไม่ได้มันเลยจําชาติมันได้มันกลับมาเกิดวัยเนาะเออมันเกิดมาเกิดวัยเหลือเกินมันจําได้หมดเลยทําอะไรเป๊ะเป๊เ๊หมดเลยทั้งที่เขายังไม่ได้ถามมันเห็นแคบเดียวเนี่ยว่าคืออะไร บางทีเป็นก้อนสมองท้องก้อนพันบงนิดๆหนึ่งว่าตรงนี้คือส่วนไหนของสมองมันตอบเป้ยเลยเปิดมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันตอบมันตายเห็นเลยก็ไม่ใช่วิเศษเพราะเด็กมันพึ่งตายไปแล้วเมื่เกิดมาชาติที่แล้วเป็นหมอที่มีจิตเป็นกุศลน่ะแต่จิตหมอส่วนใหญ่มันเกิดช้าเพราะอะไรพ่อทําหน้าที่เป็นธุรกิจมาเริ่มเป็นบาปตรงนั้นมันก็ไปเวียนว่ายแต่เกิดลืมจําชาติของตัวเองไม่ได้แต่เด็กคนนี้ชาติที่แล้วคงจะนั่งหลับมันอินูข้างหน้า ขนาดฟังหลวงพ่ออยู่ข้างหน้านี้เธอยังหลับได้เลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเธอนี่นะั <c> ่น <oughs> ต้องมานั่งใกล้ๆหลวงพ่อหพ่อจะได้จี้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นชาติแล้วม่เป็นตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมเนาะบางคนก็นั่งขีดเขียนพื้นหรือเล่นบางคนนั่งดูดาวบางคนนั่งหาวบางคนนั่งฟัง พระนุนเห็นอาการวิปริตอย่างนี้ก็ถามพระพุทธเจ้าเอ๊ะทาไมคนเราเนี่ยึดเป็นอย่างนี้ทั้งที่ว่าโ อ, อนี่แสดงทํามพร้อมมากเลยนะแต่ทําทไมอาการคนเราดึงวิปริตผิดแปลกอ๋อบอกไอ้ที่มันเขียนเนี่ยชาติแล้วมันเกิดเป็นไส้เดือนเหมือนกะันแล้มันก็กินดินคนมันไปเรื่อยๆไม่สนใจอะไรฮฮเแล้วคนที่มานั่งหลับาชาติแล้วมันจะเป็นจอร์าเคเหมืนั้นะอะไรเกิดขึ้นมื่หลับทั้งวันเลยเหมือนนะั้นแลคนที่นั่งดูเดินเอ้าชาติแล้วมันเกิดเป็นหมอดู เพราะมันเป็นโหน่จะต้องดูเดือนดูดาวอะไรก็ดขึ้นไม่สนใจทั้งนั้นเลยงั้นนี่พู้ทชาติท่านรู้อดีตของคนทั้งหมดเลยนะเออเป็นอย่างนี้เองเพราะนั้นมันมีที่ไปที่มานะเพราะฉะเธอชาติที่แล้วเป็นอะไรจําได้จำไม่ได้หรืมไปเรียบร้อยนะอาจจะเป็นจำไรเคหรือข้างข่าวก็ได้นะเพราะฉะนั้นเองเราต้องพยายามทํากุศลให้เยอะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กลับมาทําลายภพชาติของเราไวไว ถ้าคนไหนที่เกิดมาจําพบชาติได้เร็วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายไงคนคนเบื่อหน่ายไม่อยากจะทําใ น, นสิ่งที่เป็นอกุศลเองเพราะทำเป็นอกุศลมากๆมันต้องเวียนว่ายใจเกิดมารับใช้ไม่จบสักทีหนึ่งจึงทํากุศลเยอะๆ เ, เพื่อมันจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะที่จะทํามาทําเรื่องนี้ได้นะและตรงเป็นมนุษย์มีคุณสมบัติห้าประการด้วยที่พูดไปเมื่อก่อนหนึ่งต้องมีแหละศรัทธาทรักที่จะทําใช่ไหมสอง ไม่มีความรักที่จะทำก็ต้องลงมือทำมีความเพียรสามทำด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าทำด้วยอย่างอื่นไม่ใช่นะตอนนั้นเอาไปถึงไหนละไอ้หนูงงคนเดียวยทาให้สะดุดเลยพาออกนอกเรื่องไปไกลเลยฮนะไปถึงที่ว่าเมื่อกฎของใจรักบริหารได้ถูกต้องมันกลับไปสู่ที่เดิมคือไปเห็นการเกิดและการดับ เห็นปฏิสวดไฟเกิดและปฏิสวดไฟดับแล้วก็เข้าไปจัดการอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าบริหารจัดการได้ถูกต้องหมายถึงว่าเราจะต้องมาเห็นความรู้สึกสามอย่างในกายชัดเจนมากว่าตัวไหนมันจะไปเปลี่ยนตัวไหนตัวสบายมันจะเปลี่ยนความไม่สบายเมื่อไหร่ความไม่สบายนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วจะจัดการมันอย่างไรบริหารมาอยู่อย่างนี้ จนกระทั่งว่าจิตของเราที่จะไปฝักใฝ่คิดถึงเรื่องอดีตในอดตไม่มีเวลาตรงนี้เทว่าพระอราหันต์ผู้มีสติสัมยาัสมอสมบูรณ์หมายถึงตรงนี้ทําไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องอื่นละฝักใฝ่ที่จะเฝ้าดูเรื่องเหล่าเนี้ยจนกระทั่งมันกลายเป็นอันเห็นเองท่านก็เมื่อมันปรับเข้าที่คงที่เป็นปนมัตเป็นออโตเมติกแล้วเนี่ยท่านก็มีเวลาเหลือที่ไปช่วยคนอื่นในระบบของท่านไปคอยเซตอัพเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ ในยุปัจจุบันนะใช่ไหมพอเขาเส็ยระบบเรียบร้อยเขาไปทําอะไรก็ได้แล้วถึงเวลามันก็ทําหน้าที่ของมันเองพระอาหารที่ท่านสมบูรณ์แล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเองเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้ชํานาญนะให้ชนานาญหมายถึงว่าหนึ่งเราเขียนว่าความจริงเขาเตรียมไว้บอล้วขยำให้หลวงพ่อหน่อยดิถ้าเห็นเนขยับมาข้างหน้าเนี่ข้างหลังจะเห็นนู่นแบเลยนะไอเรียนประคัมมีไอเมจิกด้วยปา ขอใช้หมึกสีอะไรที่จะเห็นชัดหมึกสีแดงเนาะสีแดงดีวกว่าขึ้นฉูดก่าวหาอีกเอาหมึกสีน้ำเงินดีกว่า <c oughs> มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยแล้วว่าอยากจะให้เห็นว่าเราสมมุติว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นคําว่าจุตินะคือเกิดอ่ากอท่องการเกิดว่าแไงเกิดเขียนดวใหญ่ อ่าบวกกับอะไรอ่าบวกกับดับนะทีนี้ในตัวเกิดกับดับเนี่ยถ้ามันสมดุลกันอยู่แค่ทําให้เกิดตัวตัวเกิดนี่มันก็จะมาเป็นตัวความอะไรมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรียกว่าอะไรอันนี้จังอ่า แล้วตัวดับนี้มันสมดุลกันมันก็จะเป็นอะไรน ะ, ะเป็นอนัตตาข้างหลังเห็นนะถ้ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับสมดุลกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิด ต, ตรงกลางแต่เนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุวัตถุนี่ถือว่าเป็นตัวที่มันเกิดขึ้นมา ดูที่มันมีอยู่แล้วในจักรวารดนี้เมื่อก่อนว่าจักรวารดนี้เป็นของมืดใช่ไหมมืดแล้วต่อมามีการแปลปวนเปลี่ยนแปลงตามกฎของอจักรวารมันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ว่าการอันที่จังแปลปวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดการแปลปวนในท่ามกลา ง, างแล้วก็ดับไปแล้วก็วนมาใหม่เปลี่ยนแปลงแปลปวนแตกดับเปลี่ยนแปลงแปรปวนแตกดับ อันนี้เป็นกฎของวัตถุนะยังไม่เกิดเป็นนามธรรมก็จะเกิดตัวแปรปรวนก็คืออะไรน ะ, ะทุกขงังอันนี้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับท่านใช้คำว่าอุบัติติพังคะาตามภาษาปรมาจ ต, ตามภาษาพิธรรมกขน ะ, ะทีนี้คำว่าเกิดเนี่ยท่านใช้คำว่าเออไม่ใช่ดิดับดิคาว่าจุติ เกิดนี่ใช้คําว่าอุบัตินะตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่า จ, จุติเนี่ยมาบอกคําว่าอุบัติมันก็จะเป็นคําใหม่เพรเป็นพระพุทธเจ้าเห็นตัวนี้ก่อนเพราะเมื่อเห็นสองตัวนี้ชัดมันเกิดเห็นเพราะฉะนั้นคําว่าจุติอ่าคือการเคลื่อนของวัตถุ อ, อุปาตะเนี่ยเป็นการดับของวัตถุแต่พอมาเป็นการเคลื่อนสองตัวเนี่ยมันก่อให้เกิดตัวรู้สึกขึ้นมาจากธาตุต่างๆในวัตถุต่างๆมันจะมีธาตุสตัวใช่ไหมคืออะไรนะดินนะทั้ง4ตัวเนี่ยาทั้งสตัวเนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ำ ลมกับรไฟบวกกันสองตัวนี้อ่าดูพัฒนาการของมันนะดินกับน้ําเนี่ยก็ให้เกิดรูปหยาบใช่ไหมลมกับไฟก็ให้เกิดรูปละเอียดทั้งหยาบละเอียดบวกกันมาเป็นอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอากาศอากาศสาธาตุด้วยผ่านตัวเนี้ย ก็มาเป็นธาตุตัวสุดท้ายคืออะไรนะคือธาตุรู้คือวิญญาณนี่เพราะนั้นในในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของวัตถุเนี่ยนะเมื่อสองตัวเนียมาสมดุลกันมาเป็นอากาศมาเป็นวิญญาณตัวรู้ก็ได้เกิดขึ้นนะตัวรู้ได้เกิดขึ้นเพราะนั้นตัวรู้ัวนี้ก็จะออกแบ่งออกมาเป็นตัวรับรู้ทางทั้งหกใช่ไห ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกปัญญามาไอ้ตัววิญญาณก็จะทำหน้าที่รอบเข้ามาทั้งหกคือในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาปับ๊บท่านก็บอกว่าจิตของเราที่มันวิ่งว่อนอยู่ในอายตนะทั้งหเนี่ยมันยังแยกส่วนกันอยู่นะ เพราะ น, นั้นวิญญาณวิทนิยมแต่ว่าแยกส่วนไปว่าต่างๆท่านั้นควรจะทำายางให้มันเหลือตัวนี้ตัวเดียวท่านก็เลยให้โฟกัสทีละทางหมายถึงว่ารู้ก็แค่ให้รู้ไม่ต้องไปแยกว่าดีไม่ดีสวยไม่สวยชอบไม่ชอบให้รู้ว่ามันก็คือรูปที่เห็นเวลาได้ยินเสียงก็ให้รู้ว่านี่คือเสียงนะ ก็อย่าไปแยกเสียงว่าเสียงเพราะไม่เพราะเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดังเสียงค่อยไม่ต้องไปแยกให้รู้ว่าเสียงเฉยๆแล้วเวลาอารมณ์กระทบจิตก็ให้รู้ว่ามีการกระทบมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าดีไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไปคิดตามอาการนั้นการที่โฟกัสไปให้มันอยู่จุดเดียวโดยที่มันไม่แยกส่วนนั้นมันจะเหลือคําเดียวคือเรียกเขาว่าญาณนะออกมาเป็นคําว่าญาณ เราจึงมาทำตัวนี้มาทำตัวยานคือตัวรู้นะฮะตัวรู้นี่ออกมานี่อยากจะให้รู้ที่ไปที่มาของคำคำนี้เท่านั้นเองนะที่เราที่เราเขียนเรื่องนี้นะว่าไอ้ตัวยานมันมาได้อย่างไรที่เราใช้เนะี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้มันก็จะงงนะในส่วนของท่าการดับไปของวัตถุเราเรียกว่าจุติ แต่ถ้าเป็นการดับไปของนำมารูปเราเรียกว่านิโรธคำสองคำนี้เหมือนกันไหมคำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแต่คำว่านิโรธคือมันดับพุพไปเลยเหมือนของสองสิ่งอ่าคุณวิทยามานี่ก่อนเป็นมาเป็นอุปกรณ์ให้หน่อยเอาเอาขวดน้ำมีมาอ่าสองขวดไม่ขวด หลวงพ่อสมมติขวดนี้เป็นเทียนอ่าขดเนี้ยเป็นเทียนที่ไม่ได้จุดคนนี้เป็นเทียนที่จุดแล้วนะเป็นเทียนที่จุดแล้วคือพอจุดเทียนปั๊บดับลงเนี่ยคือมันดับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ยังไม่มีการเกิดขึ้นของตัวรู้เนี่ยคือมันเป็นวัตถุอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาการดับไปข้องมันมันย้ายที่จากตรงนี้ไปที่นี่เท่านั้นเอง หมายคาสิ่งนี้พร้อมจะกลับมาไหมพร้อมจะกลับมาแต่แสงเทียนที่หลวงพ่อดับปุ๊บลงเนี่ยแสงเทียนนี่จะเอากลับมาได้ไหยนี่คือการดับของด้วยความรู้นี่การดับด้วยความไม่รู้คือมันจะต้องกลับมาคือดับผมนี่เขาเรียกจิติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านมาศึกษาแยกในส่วนที่ว่ามันมีญานคือตัวรู้อยู่ ตัวรู้ที่เกิดจากยานเกิดจากอากาศเกิดจากธาสเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงให้ตัวตัวแสงไฟเนี่ยมันจะมี2ลักษณะ1ก็คือความร้อนสองก็คือแสงสว่างเราใช้แสงสว่างของมันนะให้ได้ประโยชน์และเราใช้ความร้อนของมันได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่เมื่อใช้ประโยชน์เสร็จแล้วเราจ้อ เปิดไฟทิ้งเอาไว้ไหมสมมติคุณจุดเทียนไขน ใ, ในห้องอนะไม่มีไฟพอใกล้จะนอนแล้วเนี่ยเราจะทิ้งเทียนไขไว้ตรงนั้นไหมเราดับใช่ไหมหรือมันก็ปิดไฟแต่พอเราจะใช้อีกไปไงจุดขึ้นมาใหม่ความรู้สึกตัวเราก็เหมือนกันในช่วงไหนที่เราไม่ใช้มันให้กลับมาอยู่ วิธีใช้มันใช้ออกมากี่ทางใช้ใช้ทั้งหมดที่สี่ในตัวเราใช้ออกมากี่ทางสามทางใช่ไหมทางไหนบ้างกายยัตถวา a ใช้ทางกายวจีทวานใช้คําพูดและมโนทวานใช้ทางจิตใจดังนั้นเองเราจะต้องสั่งสมตัวรู้เนี่ยให้พร้อมไว้เสมอสแ t a n d ไว้เสมอด้วยการฝึกสติสัมยา ให้เป็นชีวิตเลยมลวงพ่เขียนให้ใช้ว่าต้องทําให้เป็นอาชีพทําให้เป็นอธรรมดาหรืองานธรรมดามต้องทําให้เป็นอาชีพของชีวิตเลยอาชีพนี้สันมีสองสองอาชีพอาชีพที่หนึ่งคืออาชีพสั่งสมสติสัมยาเพื่อป้องกันทุกข์ทางกายอาชีพที่สองคือสั่งสมปัญญาเพื่อป้องกันทุกทางใจทีนี้หมายความว่าเราก็จะ ทำหน้าที่ตรงนี้ไปตลอดเมื่อเมื่อใดเราสิ้นท่าสิ้นขันสิ้นชีวิตเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วที่นี้จบละเพราะเราทําหน้าที่ที่ดีที่สุดหนึ่งป้องกันความทุกข์ให้เกิดทางกายน้อยที่สุดสองป้องกันให้ทุกเกิดทางใจโดยเด็ดขาดแต่ทุกทางกายนี่ป้องกันมันโดยเด็ดขาดได้ไหมไม่ได้เพราะเนื่องจากกายนี้เป็นวิบากที่เราได้รับมาเราต้องทดใช้เราต้องเสวย ความสบายไม่สบายยู่ตลอดเดี๋ยวเรื่องโน่นโน่นนี่ตลอดเวลาตั้งแต่อีไปมากน้อยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่ทุกทางจิตท่านบอกว่าดับได้เด็ดขาดเหมือนอย่างที่ว่าดับได้เด็ดขาดดับแล้วดับเลยมันเอากลับคืนมาไม่ได้แต่ถ้าเราจะเป็นต้องใช้อีกก็จุดขึ้นมาใหม่แต่วัตถุคือกายนี่คือย้ายไปย้ายมาเพราะนั้นคาว่าตายในพุทธศาสนาเนี่ยท่านใช้คาว่าเคลื่อนคือจุติ เพียแต่มันเคลื่อนไปเท่านั้นเองพอเหตุปัจจัยเพราะมาแล้วมันกลับมารวมกันใหม่ก็เรียกว่าอุบัติใช่ไหมพอหมดเหตุปัจจัยมันก็แยกกันก็เคลื่อนไปอีกที่หนึ่งการเคลื่อนไปสู่นี้เรียกว่าพบชาติแล้วแต่มันจะเคลื่อนไปอยู่ไหนบางครั้งเคลื่อนไปเป็นเทวดาบางครั้งเคลื่อนไปเป็นพรหมบางครั้งเคลื่อนไปเป็นสัตว์บางเคลื่อนไปเป็นเปรตบางครั้งขึ้นืปอนไปสัตว์ในโกบางครั้งเคลื่อนไปเป็นเดรัจฉานแล้วแต่มันจะเคลื่อนไปการเคลื่อนไปสู่ต่างๆนี้เรียกว่าคือการเวียนว่ายใจเกิด เพราะนั้นเราไม่อยากจะเคลื่อ น, นเอาเทียนเล่มนั้นมาเผาให้หมดซะใช่ไหมจบกันนะไม่ต้องกลับมาเคลื่อนอีกหมดการเคลื่อนเลยนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาเบินตัวเชื้อของมันคือราคะโทสะโ ม, มหะเนี่ยมันเชื้อไฟเนี่ยให้มันหมดให้หมดเลยไม่ให้เหลือเชือ้อที่ใช้คำว่านิโรธดับโลยไม่เหลือนะเพราะนั้นเองในการเจริญสติถ้าหากเรามีองค์ความรู้ที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสนุก แต่บริหารความรู้สึกในตัวเราแค่สามความรู้สึกเท่านั้นเองใช่ไหมในเรื่องยุ่งอะไรทั้งหมดนี้ที่เป็นบัญญัติปริยัติทั้งหมดเนี่ยบริหารมันด้วยการปรับให้มันพอดีเพื่อให้ตัวทุกข์ทางรูปนามเนี่ยให้เศษเหลือน้อยที่สุดที่มันจะไหลไปสู่จิตเมื่อก่อนมันเบื่อมากๆก็การมันเป็นเบื่อในน้อยใช่ไหมเมื่อก่อนมันเซ็งมากๆเหลือเซ็งน้อยๆหน่อยเมื่อก่อนมันคิดเยอะๆใช่ไหมก็คิดน้อยๆลงมาเรื่อยๆ ลดลงมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมอาการของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยอยู่ในกายได้มากที่สุดส่วนมันจะเหลือเศษเข้าไปมากไปน้อยขึ้นอยู่กําลังของอะไรสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นที่ว่าพระอรหันต์มีสติสัมญผญัะสมบูรณ์หมายความว่าท่านไม่มีเศษส่วนเหลือจากกายไปสู่จิตเลยนั่นคือความสมบูรณ์ดังนั้นการปฏิบัติก็เพียงแต่ทํากําลังตัวรู้สติสัมผัสให้สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเอง คุไม่ต้องไปวิ่งดับมันในเรื่องของความคิดนะเพราะว่านั้นมันคือผลละเหตุมันคือเราป้องกันให้อยู่แต่กายไม่ได้นะเพราะกายเนี่ยมันรับทุกมาทั้งหกทางตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรับเข้ามาเราก็ควบคุมให้มันอยู่ในนั้นพ อ, พอดีนะฮะดังนั้นกฎ้องความพอดีระหว่างรูปกับนามกายกับใจเกิดกับดับนี่เองมันก่อให้เกิดญาณปัญญา เช่นอะไรที่ได้กล่าวไปบ่อยๆว่าอย่างนักไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะต้องดูขั้วบวกขั้วลบเนี่ยให้มันความถี่มันเท่ากันพอมันมาเจอกันปั๊บมีตัวหลอดมันก็จะเกิดแสงสว่างแต่ถ้าหากขั้วใดขั้วหนึ่งมันมีมากกว่าต่ํากว่าปั๊บมันก็จะเกิดการแปรปรวนกระพริบหรือช็อตใช่ไหมนั่นหมายความว่าเกิดมากกว่าดับหรือดับมากกว่าเกิด แต่เกิดดับในอัตราที่สมดุลสมส่วนกันปั๊บแสงสว่างเกิดนั้นหมายความว่าถ้าบริหารความรู้สึกทางกายระหว่างเกิดกระดับทางกายให้สมดุลกระปั๊บมันก็ให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาแทนที่จะตกไปเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ตกเป็นเศษเกิดตัวยานปัญญาเกิดขึ้นในใจนั้นยานปัญญาเกิดขึ้นทุกครั้งโดยอาศัยทางสายกลางที่พุทธเจ้าคุณพบเป็นทางทำที่ให้เกิดปัญญา นั่นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็โฟกัสเข้ามาในความรู้สึกในตัวของเราซึ่งปรากฏตลอดเวลามีแค่สามความรู้สึกแต่เมื่อเกิดความรู้สึกทางใจเมื่อไหร่ที่เป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายนิวรนให้รู้ว่าเราบริหารทางกายเป็นไงไม่ดีเราจะไปโทษใครไหมโทษว่าเราสติสัมปชัญญะเรายังอ่อนไปเราก็ขยับให้มันถี่ขึ้นถีขึ้นถีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสติสัมปชัญญะที่ต้องเป็นสัมมาสติคือต้องไม่เพ่งไม่อยา ก, ไ ม, ยกไม่ยึดไม่เอา ทำตามหน้าที่เฉยๆทาให้รู้สึกตั ว, ตวเฉยๆทําได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอืมถ้าคนไหนขยันทำไอ้ภพชาติคนนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถ้าถ้าหากว่าคนไหนขี้เกียจหน่อยมันก็จะเห็นว่าจะเกิดอีกเจ็ดครั้งเท่านั้นเองใช่ไหมแต่หมายความไปทางถูกแล้วนะแต่เดินช้าหน่อยเกิดไปมาเจ็ดครั้งถ้าคนไหนขยันขึ้นมาอีกที่หนึ่งก็จะเกิดอีกสักสองสามครั้งถ้าคนไหนขยันมาก ก็เกิดอีกครั้งหนึ่งคนไหนสุดยอดของความวิญญาณเลยไม่ต้องเกิดอีกเลยนะท่านก็จะมีเวลาจํากัดของท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาจริงอยากจะให้ดูว่าสามความรู้สึกเนี่ยมันย า, ยากอย่างไรในการเฝ้าดูเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆตั้งแต่หัวจุดเท้านะลำดับลงไปลําดับลงไปตลอดเวลาถ้าเผลอตั้งต้นใหม่เผลอตั้งต้นใหม่เผลอตั้งต้นใหม่อย่าไปเสียใจวนะ่าเออฉันเผลอนะ แต่ว่าการเกิดกระดับทำไมจะต้องมีรู้กับมีเผลอเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติเผลอคือเกิดใช่ไหมรู้ตัวดับว่า ม, มันเกิดอ่ะจะทําังไให้มันดับแต่ถ้าคุณเผลอสิครั้งคุณดับมันครั้งเดียวไปไงไอเ้เศษอีกเก้าครั้งมันไปเกิดที่ไหนเกิดในจิตของคุณอ่ะมันเผลอเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่มีเศษเหลือดับ นี่คือคือเท่ ว, ว่านิโรธแต่ว่าส่วนใหญ่มันเผลอห้าครั้งรู้หนึ่งครั้งก็อออยังดีสองครั้งเผลอสี่ครั้งรู้สักสามครั้งก็เหลือเศษน้อยหน่อยใช่ไหมความมุดหิดลำคานที่มันเคยเข้มเคยข้นเคยหนักเนี่ยมันก็จะเหลือนิดนิดก็ง่ายที่จะการบริหารจัดการมันดังนั้นเมื่อเรารู้องค์ความรู้ที่ชัดเจนแล้วอย่างเนี้ยเราก็จะไม่สงสัยละ แต่ก็จะมุ่งทําเจริญสติสัมยะคุณไปสํานักไหนคุณก็ไปเจริญสติสัมยาเท่านั้นนะหลักการคุณเข้าใจแล้วไม่ลังเลไม่ว่าอาจารย์ไหนสอนหลักการเดียวกันแต่ใช้บัญญัติใช้สมมติใช้คำพูดต่างกันเท่านั้นเองนะแต่ว่าในแง่งของปรตัตนามันก็สิ่งเดียวกันถ้าท่านสอนถูกนะมันก็จะมาตรงกันอาจารย์ใช้คําพูดใช้สํานวนใช้ภาษาแตกต่างไปแต่ในแง่งสภาวนะเป็นเรื่องเดียวกันเราก็อย่าไปสับสน เราจะไปแต่ในสำนักไหนที่รู้สึกว่ามันมันผิดแปลกแตกต่างที่มันไม่สามารถที่จะมาส่งคล้องเข้ารหลักรูปนามกายใจได้ชัดเจนก็ถือว่าฉันเราก็อย่าไปเสียเวลาเรียนแล้วก็กลับมาบริหารหลักการอันนี้นะนั่นเองในการปฏิบัติเราจึงไม่มีการต้องบังคับกับเกณฑ์อะไรมันเป็นความพอใจเฉพาะตัวที่ต้องทําถ้าครูบาอาจารย์เพราไปกําหนดหลักเกณฑ์อย่างง้นอย่างนี้มากๆากเลย คนปพเดวันก็เครียดก็สับสนเนาะแต่จะมุ่งให้เกิดปัญญาให้เรียนรู้เอาเองแต่ว่าเราทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดก่อนแล้วมีประเด็นไหนคุณยังสงสัยก็ต้องไล่เลียงต้องถามต้องซักกันมาให้ชัดเจนแล้วก็ไปทําไปทําแล้วเนื่องจากเราไม่มีประสบ ก, การณ์ไม่ยังมีไม่ทักษะใช่ไหมมันก็จะให้เกิดข้อสงสัยติดขัดแล้วก็มาถามกันลักษณะนี้คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรมีหน้าที่แค่นี้เองนะบอกทาง เพราะว่าทางสายนี่เราเดินกันมาก่อนแล้วก็มากลับมาบอกกันเท่านั้นเองดังนั้นในช่วงเช้าเนี่ยขอลําดับที่ว่าในกฎของการเกิดนั้นมันก็ออกมาเป็นกฎของอนิจจังถ้าเราไม่ไปเห็นการเกิดดับไปรู้เรื่องการเกิดดับปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ขยายเนื้อตัวมาเป็นอนิจจังไม่ขยายตัวมาเป็นสุขเวทนาไม่ขยายตัวมาเป็นโสมนัสสาเวทนาไม่ขยายมาตัวเป็นอภิชา ไม่ขยายตัวมาเป็นนันธิไม่ขยายตัวเป็นราคะเป็นตัณหาเป็นโลภะเป็นอะไรไปเรื่อยๆไม่ขยายตัวไปมันก็จบในช่วงนั้นแต่ว่าเนื่องจากสติสัมยาเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่สามารถควบคุมให้เห็นการเกิดดับได้เราก็มาเรียนรู้การเกิดดับแบบหยาบๆคือการเกิดดับทางกายคือการเคลื่อนไหวมีหยุดมีนิ่งมีหนักมีเบามีเคลื่อนมีไหวไปเรื่อยๆก่อนจนให้เกิดทักษะ พอทักษะตัวนี้คุณเริ่มเห็นได้ทั้งยิ่งใหใหญ่ยิ่บริหารได้ดีแล้วล่ะก็เลื่อนไปดูความชัดเจนของการเกิดดับของเวทนาเย็นกับคู่กะร้อนเย็นเป็นร้อนเป็นเกิดอย่างนี้นะก็เย็นเป็นดับหนักเป็นเกิดเบาเป็นดับดูเกิดดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนอ่าหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับอย่างนี้นะอะไรรู้สึกมันไม่สบายเป็นเกิดหมดอันไหนรู้สึกเบาสบายมันก็เป็นดับเรียนรู้การเกิดดับขั้นเบสิกนี้ไปก่อน ตอกย้าอย่างเนี้เนื่องจากว่าสตถิปัญญาเราไม่ไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมต้องฝึกฝนไปทำเรื่องดับอา้าดูเวทนาเป็นละการหนักการเบกาก า, การเคลื่อนการไหวการหยุดการเคลื่อนตามรู้ได้หมดสามารถควบคุมคอนโทรลได้ชัดเจนเราก็ไปดูการเกิดดับของความคิดต่อไปเดี๋ยวมันคิดดีเดี๋ยวมันคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีเป็นเกิดเออถ้ามันคิดดีมันเป็นดับตัวไหนที่มันสร้างปัญหาเป็นเกิดหมดตัวไหนที่มันแก้ปัญหาได้เป็นดับให้ง่ายรู้ง่ายๆงั้นใช่ไหม ในครอบครัวของเราก็มีทั้งคนเกิดและคนดับใช่ไหมไอ้คนไหนม่นชอบสร้างปัญหาคนนั้นก็เป็นคนเกิดไอ้คนไหนมันแก้ปัญหาเป็นอันนั้นก็เป็นคนดับแค่เนี้ยคอนเซปต์หลักๆจำเอาไว้เลยว่าอันนี้ไปเกิดคุณถ้าไปเรียนรู้ดับมา ก, ก่อน mm hmm. ก็แล้วกันไปเรียนรู้ที่ไหนนู่นยุภพุตโน่นน่นนะฮะแต่น ม, มาเลยเสร็จแล้วอ่ามาบริหารการเกิดดับสมบรูรณ์ทาให้เกิดตัวรู้ ด, ด้วยปัญญาขึ้นเลยเรื่อยๆถ้าหากเราชํานาญในการรู้ความคิดอความคิดที่มา รู้กระดับนะ ม, มันเกิดมาแล้วก็รู้มันก็ดับแต่ถ้าเราลืมรู้ไปไงก็เกิดไปเรื่อยๆใช่ไหมเกิดไปเป็นอะวิชาตรรหาผทานไปเรื่อยๆอ้าพึ่งไม่รู้อ้ามันก็ดับก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นเสร็จแล้วเมื่อรู้จนชํานาญในเงี้ยมันก็รู้จิตเข้าออกรู้จิตขึ้นไม่ใช่ชินชานาญรู้อย่างนั้นต่อไปวันใดวันหนึ่งมันพุ่งไปเห็นอารมณ์พริกพลิกปับ๊บ ลักษณะของการเปลี่ยนตรงนี้ท่านใช้ว่าจิตเปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนในภาษาหนอเขาเรียกว่ายานสิบหกนะแต่ละจุดเนี่ยให้เปลี่ยนทั้งสี่ครั้งดูรูปนามแนละ้วให้จิตถึงเปลี่ยนทั้งสี่ครั้ง ดูเวทนาให้จิตเปลี่ยนสครั้งดูจิต ก, ก็ให้จิตถึงเปลี่ยนสครั้งดูอารมณ์ให้จิตเปลี่ยนสครั้งก็เป็นยาสิบกใช่ไมสี่สี่สิบอันนั้นเป็นเรื่องของปริยัติที่หลวงพ่อก็ผ่านมาแต่ว่าบางทีมันทาให้คนปฏิบัติงงเพราะปริยัติมันเยอะเกินไปใช่ไหมสับสนก็ทําให้เราเสงสัยอยู่ไม่หยุดอะไรเป็นอะไรจะรู้เรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ไหมมันก็เลยไม่รวมลงในเรื่องโฟกัสในปัจจุบันมันมัวไปสงสัยเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้พอมาหลักการหลวงพ่อเทนคูนเอาแค่นี้นะ ท่นพูดเรื่องสติทัวเดียวพูดถึงสามสิบปีนะเรื่องเดียวนี่นแหละเพราะว่าสติเป็นใหญ่ถ้าจับสติได้แล้วก็ไม่ขอเรื่องอื่นมาอยู่ในนี้หมดแต่ในแง่ของรูปท่านให้ดูเวทนาเพราะเวทเวทนาสมมสาาูลสรนาเวทนาเป็นที่รวมลงของความรู้สึกทั้งหลายก็ดูเวทนานะนั้นเองในการฝึกฝนนั้นให้ดูกายให้เป็นดูกายก็ดูสําหรับคนใหม่ก็ดูการเคลื่อนการไหวการหนักการเบา การร้อนการเย็นการหายใจเข้าหายใจออกให้ชำนาญอยู่ตรงนี้ก่อนรู้เฉยๆนะเพราะนั้นกิจกรรมอันแรกที่สุดที่จะเป็นคือสร้างตัวรู้ก็โดยการมาทำตัวนี้บ่อยๆ ย, ยกบ่อยๆนี้คือการสร้างสร้างการตระหนักรู้ให้มีกำลังถ้าการตระหนักรู้ไม่มีกำลังแล้วมันไปรู้เท่าทันสิ่งอน่าง น, นั้นไม่ได้มันช้านะที่จะสร้างกำลังขึ้นอยู่กับว่าเราขา ย, ยันทา หรืไม่ขยันทําถ้าคนขยันทําเพรามว่าจับได้เยอะจับได้มากการตระหนักรู้ก็จะมาไวอทักษะความไวเพราะนั้นได้กล่าวไปวันก่อนนะั่นคาว่าสติเนี่ยแปลว่าไวแปลว่าคล่องแปลว่าชัดแปลว่าตรงนะที่แปลว่าลูกศร อ, อะ่ะอันนั้นเราก็มาฝึกนะตัวตัวสติที่เป็นปัญญายานเนี่ยโดยการมาตักรู้บ่อยๆแต่ว่าทั้งสี่อย่างไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้ทีละอย่างนะ <c oughs> ขอขวดอีกสักใบอุปกรณ์การสอนเยอะเหลือเกินสมมติเอาโน่นอีกใบนึน่สมมติสถิติบาลสี่ไนะตอนแรกคุณเรียนรู้เรื่องกายถ้าสมมติว่าเรามองเสาเนี่ยอีกสามเสาเนีมองเห็นไหมเห็นแต่เห็นไม่ชัดแต่มองทีเดียวปลป๊บเดียวมันก็เห็นทั้งสี่นั่นแหละใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเสาแรกที่สุดที่เราเห็นคือเห็นเสานี้เสาเนี้ยแต่ว่าเขาคุ้ชํานาญเสานี้แล้วอ่ามันมาตั้งแล้วก็เห็นอีกสามเสาละเสานี้เราชํานาญมันเป็นตัวจิตของเราละตัวรู้ขั้นที่หนึ่งสำเร็จละพระโสดบันดูกลายเป็นแล้วนะดูกลายเป็นเป็นโสดาบันแล้วนะสองดูเวทนาเป็นอ่าเป็นสกิทาคามีละครบรอบหมดเรื่องเวทนาในวงการธุเวทนาเรารู้หมด สองตัวนี้เป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ของเราแล้วมันก็จะมาดูตัวที่สามคือตัวจิตดูตัวจิตเป็นครบหมดกพ้นกระบวนกรรมอนาคามีใช่ไหมรู้จนให้ชํานาญอีกนะดูจิตดูจิตเป็นัในระดับนี้ราคาโทสะโมหะแทบไม่เหลือแล้วเนี่ยดูเป็นเนี่ยพ อ, อไหรมันดูจนกระทั่งว่าราคามันเกิดอย่างไรมันรู้มันมาจากอะไรรู้ต้นตออัหมดเลย แล้วราคาทำให้คนเกิดความลำบากเดือดร้อนอย่างไรเห็นวิบากชัดเจนมากเลยมันกอจะไม่ยุ่งกับราคาโทสะโมห oh ะอีกเสร็จแล้วพอที่ชำนานวันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โป๊ะหมดเลยวยเนี้ชัดเจนทั้งสี่ตัวเป็นจิตของเราหมดเลยเปลี่ยนจิตมาเป็นตัวรู้ทั้งสี่ระดับ น, นั่นเองเราก็จะไม่สงสัยละเส้นทางนี้เราก็กลับมาซักซ้อมอยู่แค่ กายเวทนาจิตทําตัวนี้เราชัดอันไหนบางครั้งกายชัดบางครั้งเวทนาชัดบางครั้งความคิดชัดบางครั้งอารมณ์มันชัดแล้วแต่ตัวไหนชัดเราก็ดูตัวนั้นหมายความว่าบางวันเนี่ยเรื่องกายโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหแล้วก็มาดูตัวนี้ก็เวทนามีปัญหาสุขภาพาไม่ดีเนาะปวดท้องปวดไส้ปวดแข้งปวดข า, ปว ด, าปวดนู้นปวดนี่แล้วก็ดูตัวเนี้ยนะแล้วบางครั้งตัวนี้เบาบางเวทนาเบาบางความคิดและอารมณ์ยังวุ่นวายอยู่ก็มาดูตัวนี้ อ่ะตรงนี้สงบแล้วอารมณ์เป็นไงปกติมันก็จะเวียนไปเวียนมาจนกระทั่งเห็นทั้งสี่อย่างเนี่ยปรากฏในในคลองจิตของเราเรียกว่ายานยานปัญญาก็จะวนไปวนมาเรียกว่าวิปัสนาญาณดังนั้นเองในชีวิตประจำวันเราจึงซักซ้อมเรื่องของกายของดูกายดูใจเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราจับตรงนี้ได้แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจนกระทั่งดูกายเป็นอาการกายเป็นไง จิตเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเห็นกายเห็นจิตตามความจริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะยังทำอะไรมันไม่ได้เห็นตามความจริงเออกายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างี้ลักษณะเห็นกายเห็นจิตได้ชัดตรงนี้แล้วเรี่ยวเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามเห็นละเออกายทั้งหมดมันจะไปสู่จิตได้อย่างไรเนี่เห็นจิตไม่จะทำให้เกิดเรื่องอาการของกายเห็นมันก็จะเห็นเป็นลาดับไปอย่างนี้ดังนั้นเบื้องต้นทันทีให้ชื่อจักรูปนาม เมื่อรขาเอาสิกอยู่นี้ตัดสินได้โพลหรืออันนี้ความรู้สึกทางกายน ะ, นะพอรู้สึกนี้่ปั๊บตัดสินได้ว่า อ, อันนี้เขารู้สึกทางจิต น, นะจะเห็นสองอย่างบางครั้งมันมอนยังโกรธอยู่มันยังชอบอยู่ไม่ชอบอยู่ก็รู้ว่าเป็นอาการของจิต น, นะไม่ใช่อาการของเรานี่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกายเมื่อรู้ว่าอาการอของจิตของลูกของนามของกายของใจความสําคัญว่าเรามันลดลงไหมลดลงศักะยะทิฏฐิเริ่มอ่อนกําลัง สั่งโยกตัวที่หนึ่งจัดการได้แล้วใช่ไหมแต่ต้องเห็นให้ชัดว่าจนกระทั่งเห็นว่าอันนี้คือความรู้สึกนะมันไม่ใช่เราแต่ใครมาทักเราเมื่อก่อนเราก็โอ้รู้สึกกวีกะว่าตอบสนองได้ชัดแต่เดี๋ยวนี้ทักเราก็อืตอบสนองแบบสบายเพราะมันจิตเราอย่าเกาะอยู่ความรู้สึกไม่ได้ไปให้ความสําคัญว่าคนทักอะไรเพื่ออะไรมากมายเพราะไม่เห็นความรู้สึกชัดอยู่ดังนั้นความเป็นจริงของความรู้สึกเราจะต้อง ทบทวนอยู่เสมอตลอดเวลาท่านเรียกว่าอาริยมรรคทางที่ไกลจากข้าศึกถ้าอาจิตของคุณเดินอยู่ในกายในในรูปในนามเนี่ยเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเดินออกจากทางนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางอริยมรรคแล้วเป็นทางมารคือทางอาดีตอนาคตพอเราจิตของเราออกจากนอกกายไปอดีนาคตปความคิดเกิดได้ใช่ไหมถ้าความคิดถ้าไม่มีอดีตอนาคตเนี่ยมันมันคิดไม่ได้เรากลับมาอยู่ปัจจุบัน เป็นทางอริยมรรคดังนั้นเมื่อเข้าใจลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตจวันของเราเนี่ยเราจะทําด้วยความไม่สงสัยละเราจะมุ่งมั่นตอ่อ ก, ก, ก, การยกการเหยียบการเคลนการย้ายอะไรต่างๆความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงแรงต่างๆแล้วก็เข้าไปดูดูแบบสบายๆดูเพื่อการศึกษาแต่ถ้าหากเราไปดูเพื่อจะเอาเพื่อจะเป็นเพื่อจะมีสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่เรียกว่าไตรสิขา แต่เราดูเพื่อการศึกษาเพื่อให้ให้มันผ่านให้เกิดความชี้ชํนนานเรียกว่าไตรสิขาดังนั้นตัวเกิดเรารู้ไม่ทันก็มาเปลี่ยนม า, มาเป็นตัวอ น, นิจังนะอ น, นิจังเราไม่ได้ตามรู้เท่าทันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวพอใจเหมือนเรานั่งเนี่ยมันแช่ใช่ไหมทุกครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปปั๊บสบายพอใจ เราก็ไม่รู้ความพอใจเกิดจากมาที่เราเปลี่ยนแะสบายเพราะฉนั้นต้องทบทวนนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นอาจจะมี powerpoint พอพอพอพอทวนความช่วงจำอีกทีหนึ่งว่ามันมันกินไปถึงไหนนะถ้ามีคนทําให้เดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูด ก, กลับมาตอนเช้าในเรื่องของที่มาของการไตรลักษณ์กับไตรสิขาเนี่ยพอจะเห็นภาพหรือ ย, ยังเห็นภาพนะ ม, มีอะไรน่าสงสัยมั้งทำเดี๋ยวเวลาห้านาทีมีนะ ทั้งหมดอ่ะตรงไหนบางที่ไม่ชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนโอเคนะตั้งนั้นก็ขอสุบว่าในต้นเราเข้าต่อเราจำเป็นต้องบอกความจริงกันทั้งหมดกันว่าอะไรคืออะไรส่วนใครจะเอาไปทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ5ประการดังกล่าวมาแล้วว่าศรัทธาคุณเข้มแข็งแค่ไหนความเพียรเข้มแข็งแค่ไหนสติสัมปทิปัญญาคือตัวรู้ของเราเนี่ยคมชัดแค่ไหน แล้วก็ไปบริหารจัดการมันก็จะง่ายขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เห็นสภาวะธรรมต่างๆจนสามารถเปลี่ยนไตรักให้เป็นไตรสิกขาได้โดยการทุกคนทุกท่านเทิน